ท่านวโยคาวจรทั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาบรรจบครบรอบในการที่เราจะแนะนําให้เรื่องความการปฏิบัติเพื่อความเป็นประัศดาบันต่อไป <c oughs> นี่การปฏิบัติเพื่อความเป็นประัศดาบนนั้นสําหรับบุท่านนอกจากพุทธจริญ ก็ต้องมาคิดอีกมุมหนึ่งนั่นก็คืออริยสัจคําว่าอริยสัจในบรรดาท่านทั้งหลายเมื่อฟังกันแล้วถึงชื่นชื่นชื่อว่าอริยสัจ ร, รู้สึกว่ามันน่าหนักใจจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคําว่าอริยสัจท่านกล่าวว่าเป็นธรรมะเบื้องสูง เป็นเรื่องของนักปราชญ์เท่านั้นที่่าพึงรู้ที่จะพึงพิจารณาเพราะเป็นของยาก <c oughs> แล้ ว, ว่ากันไปตามความจริงความรู้สึกอย่างนี้ <c oughs> ก็ผมเองคิดว่าเป็นอุปาทานมากกว่าเราะว่าคำว่าอริยสัจแปลว่าของจริง ที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายรับรองเรื่องของจริงที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายมีความเข้าถึงแล้วคือมีจิตไม่หวั่นไหวยอมรับนับถือตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นอย่างนี้เรียกว่าอาริยสัจเมื่อเราพูดกันอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นของไม่ยากนัก ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงอริยสัจของพระโสดาบันความจริงอริยสัจนี้ก็ต้องคิดจะเป็นชั้นๆไม่ใช่ว่ากันดะอยู่ๆก็มาจะใช้อริยสัจคำว่าหันมันก็หนักเกินไป <c oughs> ถ้าจะเป็นนักเพาะกําลังกายก็จะกลายเป็นปล้ำช้างไป อยูอย่่ไม่พันย์จะฝึกกำลังกายกำลังใจให้มันดีแล้วก็ตั้งท่าไปปล้ำกับช้างนี่ท่ามันจะแย่อันดับแรกเราก็ต้องดูซิก่อนว่าอะไรที่เราชอบจะประทะกันได้แต่ก็ไม่ใช่ประทะกับสิ่งที่ไม่มีกำลังจะต้องมีกำลังพอพัดพอเหวี่ยงกันและเราจึงจะฝันฝ่าวัฏฏะกันไปได้ตามลาดับ ถ้าจะพูดกันแบบนักรบเราก็ต้องเลือกตีจุด อ, อ่น อ, อนที่เราสามารถจะชนะได้ก่อนเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆไปเก็บเล็กเก็บน้อยมากเพียงใดข้าสิกก็หมดกำลังไปมากเพียงนั้นข้อนี้มีอปรปมาณฉันใดเมื่อการการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกัน อยู่อยู่เราจะใช้กำลังถ้าหันมาปล้มกับเราซึ่งเป็นปุถุชนก็รู้สึกว่าจะหนักใจมากเกินไปแต่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายใช้กำลังแต่พอสมควร <c oughs> อะไรแค่ไหนทำแค่นั้นกำลังแล้วแค่ยกได้ห้ากิโลแล้วก็ยกห้ากิโล ก็กำลังมากขึ้นแล้วพอย่อสู้กับน้ำหนักสิ ก, กิโลได้แล้วก็ไปยกน้ำหนักสิ ก, กิโลทำอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะพอไปไหวสำหรับอารียสัตว์นี้ก็เหมือนกันบอกว่าอารียสัตว์สี่ราการมีทุกสมุทไทยนิโรธมกักฟังแล้วปลดหัวไปเลย ไม่อยู่แล้วไม่เรียนแล้วไม่ศึกษาแล้วอริยสัจปวดหัวเกือบตายไม่เอาแล้วชาตินี้ทั้งชาติไม่ขอเรียนอริยสัจนี่พูดอย่างนี้จะมาว่าใครก็น่ากลัวจะต้องไม่ว่าไม่หาว่าใครไม่หาคนว่ามันก็ไม่ถูกไม่รู้จะว่าใครไปที่ยัแน่จะมานั่งว่าท่านบูฟังว่าเมรุอย่างนี้ก็ไม่แน่นักนี่ ว่าท่านผู้รับฟังอาจจะเห็นว่าอริยสัจไม่ใช่ของหนักก็ได้เฉนั้นบุคคลที่ถูกว่าในเวลานี้ก็าอาตมาเองี่ความจริงนักธรรมะจะพึ่งบรรนามกันนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการเทศอย่างจงอย่าปรารบตนเป็นสำคัญ้เรื่องปรารบดีเป็นสำคัญนะไม่ควรจะปรารบถ้าปลารบชั่วนี่อาตมาว่าคนปรารบ ไม่ว่าในอันดับต้นอาตมาเองก็หนักใจในอริยสัจเหมืกันเพราะบอกว่าอริยสัจปวดหวัวเลยใครมีมนเทศอริยสัจไม่ยอมเทศแต่ว่าพอมาศึกษาอริยสัจเข้าจริงๆก็รู้สึกว่าอริยสัจนี่เป็นของธรรมดาธรรมดาที่เรามีกันอยู่แล้วเป็นปกติแต่เราไม่ได้คิด เอากกําลังใจเขาเรามาคิดให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้นค่อยๆ ค, ค, คิดกันไปเวลานี้เราศึกษาเพื่อประโสดาบันเราก็ใช้อริยสัจแค่ประโสดาบันเราจะไปใช้อริยสัจขั้นอรหันต์โลกเส้นประสาจะกินตายเนี่อริยสัจท่านประโสดาบันเป็นยังไงอันดับแรกท่านบอกว่าทุกข์ จงพิจารณาทุกให้เห็นเราก็มานั่งดูว่าการเกิดมานี่อะไรมันเป็นทุกข์ทุกตรงไหนกันแน่ตอนที่อยู่ในท้องแม่เรามองไม่เห็นเมื่ออยู่ในท้องแม่นี่เราเป็นทุกข์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าในเมื่อไม่รู้เราก็ยังไม่คิดเอาไปไว้กันคิดกันตอนที่จะเป็นพระอรหรันต คืออริยสัจของพระอริหันอาภังของพระอรหันแต่ความจริงตอนนั้นก็ไม่สําคัญตอนนั้นถ้าจะปฏิบัติจากพระอนาคามีไปเป็นพระอรหันบอกว่าหันไปเรื่ยงอริยสัจไหมถ้าบอกไม่ต้องแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ก็สําคัญสิ่งที่ยากที่สุดก็สมัยที่เราจะฝึกเพื่อความเป็นโลโซดาบันเท่านั้นเพราะเป็นของใหม่ นี่เราไนั่งดูทุกที่เรามองเห็นกันดีกว่า <c oughs> เวลานี้เราเป็นผู้ใหญ่ย้อนหลังไปหาความเป็นเด็กเรานึกถึงความเป็นเด็กไม่ออกก็นึกถึงว่าเด็กคนอื่นก็แล้วกันเอาเด็กเล็กๆมาคนหนึ่งแล้วที่ทะเอยอช่วยตัวคุณเธอไม่ได้เอวางลง เวลาเธอถ่ายอุจาระเธอถ่ายปัสสาวะดูที่ว่าเธอจะมีความลําบากเท่าไหนอุจาระก็เลอะตัวพอลุกไปขึ้นปัสสาวะก็เลอะตัวนี่เราอาจจะนึกถึงไม่ออกว่าเด็กจะมีความรู้สึกยังไงเราก็มานึกถึงตัวเองก็แล้วกันว่าถ้าเราต้องนอนถ่ายอุจาระนอนถ่ายปัสสาวะให้แปดเปื่อนตัวแบบนั้น อาการเหม็นอาการสกปรกมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์ถ้าเราจตอบเองก็ไม่อยากแล้วก็ตอบว่ามันเป็นความทุกข์เพราะเราไม่ชอบเพียงแค่ใครก็ไม้จิ้มตัวจาระนิดเดียวจะไล่แต่เราแล้วก็วิ่งหนีเพราะว่าถ้าเราถูกกับสัจาระเข้าก็แสดงว่าเราไม่สบายกายไม่สบายใจคําว่าทุกข์แปลว่าไม่สบายกายไม่สบายใจ นี่ตัวนี้รู้สึกว่าจะหนักไปสําหรับปโสดาบันเอากันง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าว่าขณะที่เราทรงกายเป็นผู้ใหญ่อยู่นี่ความหิว ม, มันเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีอาหารบริโภคตามการตามเวลาที่ร่างกายต้องการมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การหนาวเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ร้อนมากเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไมส่สบายเกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การที่เราจะพ้นท่าพ้นท่าจากของรักของชอบใจสามีตายพันยาตายลูกรักตายพ่อตายแม่ตายเพื่อนตายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ของที่เรารักสมบัติที่เราหา ม, มาได้โดยยากถูกยือแย่งไปจากคนร้าย เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นกับเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่น่ายจะซ้ า, ากั น, นการที่เราจะตายเกิดขึ้นมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอันว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท่านหลายตอบเองได้จะมีใครบ้างไหมที่พูดวันนี้บอกมันเป็นสุข แต่ว่าท่านตอบว่ามันเป็นสุขอาตมาก็ต้องข อ, อกราบท่านเพราะว่าท่านมีความสุขใจไม่มีความหนักใจในสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั่นคืออารมณ์ของพระอาหารหันต์ท่านบอกว่าไม่เห็นสเทือนใจสักนิดหนี่มันเป็นของธรรมดาฉันไม่เห็นจะวันไหวเลยแมนอยากจะหิวก็เชินหิวมีให้ไม่กินฉันก็อยากกิน เมื่อมีมีให้มันกินก็แล้วไปมันอยากจะหิวก็เชิญร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่ของฉันนี่มันอยากจะร้อนก็เชิญมันอยากจะป่วยไข้ไม่สมบายก็เชิญมันอยากจะตายก็เชิญเพราะร่างกายไม่ใช่ของฉันร่างกายเป็นของกินเล่นตั้หาวปลาทาัอานอกุศลกรรมสร้างขึ้นฉันไม่สนใจ ถ้าความรู้สึกของท่านเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็อแตมาขอกราบสามวาระทั้งนี้เพราะอะไรเพราะนั่นท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องมาฝึกเพื่อความเป็นประสงดาบันอารามณ์ของพระอรหันต์ท่านไม่มีทุกข์เนืในขันหา้าขันหา้ามายาซุดมายาสมยังไงฉันไม่มีความรู้สึกท้าสบายใจ มันปวดท่านรู้ว่าปวดมันหนาวท่านรู้ว่าหนาวมันร้อนท่านรู้ว่าร้อนแต่ว่าท่านไม่สนใจในมันถือว่าหน้าที่ของมันเป็นเช น, นั้นก็ปล่อย ม, มันไปตามเรื่องไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องหนักใจนี่ว่ากันตามปกติตอนนี้เราก็มาคุยกันต่อไป สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความพัดฒนาจากของรักเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความกระทบกระทั่งจากอารมณ์ใจที่เราไม่ถูกใจมันก็เป็นทุกข์ความตายยัเข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์ทุกข์ก็อะไรทุกข์เพราะเราโง่ทําไมจะว่าโง่ก็เราอยากเกิดมาเพื่อทุกข์ถ้ามันไม่โง่ก็จงอย่าเกิดไม่เกิดมันแล้วนี่ ที่เกิดมาก็เกิดเพราะความโง่เข้าใจว่าเกิดเป็นของดีจริงเกิดเป็นอันว่าหาความทุกข์ขึ้นมาให้ได้สิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนา ม, มันทุกอย่างสมบัติในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขหาดูให้ดีก็แล้วกันอยากจะมีแหวนเพชรสักวงหนึ่งรักเลิศเกินราคาเก่าแสนอยแพง อยากจะได้แหวนเพชรเงินไม่พอต้องทำงานหนักเพิ่มกําลังงานเพื่อต้องการแหวนเพชรหน่งวงในการเพิ่มกาลังงานเข้ามานี่มันเหนื่อยมากขึ้นมันสุกและมันทุกตอบเองกันนะตอบกันเองตอนนี้พอได้แหวนเพชรราคาแพงมาแล้วดีใจว่าได้แหวนเข้ามา ก็เลงว่าโจรผู้ร้ายจะเข่งฆ่าจะมาทำร้ายเพื่อเป็นการยื้อแย่งแหนที่เรามีอยู่มันเป็นสุขและเป็นทุกข์เพราะนั้นว่าเป็นทุกข์ซิกแล้วไม่มีอะไรเป็นสุขสบายใจทีนี้สมมุติว่าเราอยากจะได้สามีหรือภรรยาสักคนหนึ่งขณะที่จะได้กันมาไปเป็นคู่ครองจิตใจก็เต็มไปด้วยความร้อนในขณะที่มีความรัก เรียกว่าความรักไม่สมหวังมันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์บางทีเห็นคนรักเดินควงคู่ไปกับคนอื่นความเล่าร้อนใจเกิดขึ้นเพราะความ ห, ห่วงแหนอารมณ์อย่างนี้มันเป็นสุขแลเป็นทุกข์แล้วเป็นอันว่ามันก็ต้องทุกข์นี่เรานั่งพัฒ น, นากันไปมันก็ไม่จบรวมความวาทุกข์อย่างในโลกที่ปรากฏมีอยู่มันเป็นภาวะของความทุกข์ทั้งหมด เป็นอารมณ์ของความทุกข์ทั้งหมดเป็นเหตุนามาของความทุกข์ทั้งหมดโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นสุขค่อยๆคิดกันไปนี่ความทุกอย่างนี้เรายัางต้องการมันอยู่อีกหรือหรือว่าเราไม่ต้องการในมันถ้าเราต้องการมันก็ปล่อยไปตามเรื่องไม่ต้องทำอะไรถ้าเราไม่ต้องการมันแล้วก็ความหาจุดที่เหตุที่เกิดทุกข์ว่าอะไรหนอ อะไรมันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ต้องทำลายต้นเหตุมาเสียก่อนอยู่ๆมาจะทำลายผลอย่างนี้ไม่ถูกต้องทำลายต้นเหตุต้นเหตุของความทุกข์ได้แก่อะไรนั่นก็คือตัณหาแล้วพระเดชจ่บอกไอ้ความอยากเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ลองนั่งในึกดูส มีข้าวแล้วอยากจะกินอาหารอย่างนนอย่ากจะกินอาหารอย่างนี้ดีไม่ดีอาหารในบ้านมีเยอะแยะไม่พออยากจะไปกินอาหารนอกบ้านให้ราคามันแพงเล่งโกโก้เสียน้ำมันค่าพ้านะยานพ้านะไปแล้วก็เสียไปหนึ่งไปนั่งในร้านอาหารก็เสียเวลากิไกลงานทางบ้านอีกหนึ่ง ในคาอาหารในร้านนั้นก็แพงอีกหนึ่งได้เงินนี่จ่ายค่าอาหารก็ต้องเพิ่มภาระเข้าไปอีกหนึ่งมันก็แบกความทุกข์หนักและว่าคนที่เขาไม่เห็นทุกข์นั่นเขาไม่รู้คนที่เรียรู้ได้ต้องมีอารมณ์ใจเป็นพระอริยเจ้าเป็นอันว่าถ้าเราตัดความหาตัณหาคือความอยาก นี่ตัดขั้นบอรโสดาบันไม่ตัดขั้นพระหรหัน <c oughs> อยากตรงไหนล่ะสำหรับขั้นเบอรโสนดาบันก็คิดว่าเรามีเท่าไรพอใจเท่านั้นหมายความว่าเรามีมาได้เดยสัมมาชีวะเราจะลงทุนเพิ่มสักเท่าไรก็ได้ถ้าเราไม่คดไม่โกงเขาไม่ปลอมไม่แปลงเขาพอใจที่าหาได้มาโดยสัมมาชีวะ ไม่ตะเกียรแต่กายไม่อยากได้เกินพอดีอย่างนี้แปรมตัดตัณหาตัวหนึ่งตัดแบบเบาอย่างประสูดาบันใ <c oughs> นความอยากอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออยากจะยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นสาหรับประสดาบันก็ตัดอยากคือตัณหาตัวนี้เสีย มาตัดเพียงว่าเราจะพอใจแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียเราเท่านั้นใครกี่คนกี่คนก็มีสภาวะเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันไปแต่เพิ่มมากเข้ามาเท่าไรมันก็ทุกข์มากเท่านั้นเราพอใจที่เรามีอยู่นี่เป็นที่พอใจของเราแล้วยับยังช่างใจด้วยการแห่งสันโดษ ย, ยินดีเฉพาะบุคคลที่เรามีอยู่แล้วไม่ได้เกียดแต่กายเกินไป อย่างนี้ก็เป็นการตัดตัณหาที่เพิ่งหามาได้โดยไม่ชอบทำนี่ตาเกันแค่ประสงดาบันนี่ถ้าเราอยากจะโกรธอยากจะฆ่าเขาแล้วก็ตัดน้ำเสียเดิมหน้าของพรหมีหารสีคือเรามาคิดอีกทีว่าเราไปอยากฆ่าเขาทําไมอยากไปทำร้ายเขาทําไมเราไม่ฆ่าเขาก็ตายเราไม่ทำร้ายเขาก็มีความทุกข์เพราะเขามีความทุกข์อยู่แล้ว ถ้าเราไปทำอย่างนั้นอารมณ์ใจของเราจะไม่มีความสุขเราไม่ต้องการเราจะปล่อยให้อารมณ์ของความสุขของเราส่งตัวเขาทำไม่ดีเป็นเรื่องของเขาเขาพูดไม่ดีเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องทำอย่างนั้นตัดอารมณ์อยากจยากฆ่าเขาอยากจะทำร้ายเขาเพื่องน่าพรมีฐานสีแพ่เมตตาความรักกรุณาความสงสาร ว่าเขาไม่น่าจะทําอย่างนั้นมันเป็นปัจจัยความทุกข์เขาสร้างศัตรูได้แท้ไม่น่าจะสร้างศัตรูอย่างนี้อารมณ์จิตก็สบายนี่แล้วก็มาตัดความอยากได้แก่ความโลภที่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเส้นได้ด้วยนม่การให้ทานเป็นการแลกเปลี่ยนกันการให้ทานเป็นจริยาที่ท <c oughs> ําลายความทุกข์ ก็เป็นอันว่าตัวตัดความทุกข์ได้แก่อะไรทั้นั้เลยไม่รู้ถ้อยย้อนในปัญญนิพนธ์วตัวที่จะเข้ามาตัดเหตุของความทุกข์ได้จริงๆคือตัณหาก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาท่านบอกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมักไอ <c oughs> ้ตัวมักนะี่แหละได้แก่ตัวศีลมักก็เลยก็ได้แก่มักแปะที่พูดมาแล้วในวันก่อน มักตัวนั้นรวมเข้าโดยย่อคือมีแปดอัจายไปเป็นแปดย้อนลงมาเหลือสามได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเราก็ใช้ศีลเป็นการตัวคุมอารมณ์ยังไงไงเราไม่ยอมให้สีนขาดเกรงว่าอย่าไปอับอายอย่าคุมไว้ก่อนสมาธรรมิทำอารมณ์จิตยะอารมณ์ศีลให้ทรงตัว สิ่งนี้ถ้าไม่มีสมาธิก็ไปไม่รอดปัญญาเราก็มานั่งพิจารณาว่าถ้าเราจะยืย้อแย่งทรัพย์สินกับกคคลอื่น เ, เปนการสร้างเวรสร้างภัยเราไม่เอากําลังใจที่อยากจะได้มันเป็นกําลังใจของความชั่วแล้วผลักมันออกไปเ ด, ดิวยกันในาการให้ทานตอนปัญญาจะยื้อแย่งความรักก็ผลักออกไปเสียดายการเคารพสิทธิสิ่งกันละกัน นี่ใช้ปัญญานะใช้ปัญญาและใช้สมาธิเข้าคุมใช้ศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่รองกำลังใจต้องเข้มแข็งสมาธิคือมีกำลังใจเข้มแข็งว่าฉันจะไม่ยอมละเมิดอย่างนี้แน่นอนตอนนี้หากว่าเราจะมีอาการความโกรธความพยยบบาดแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าโกรธเพยาบาดเขาทาไมไม่เป็นเรื่อง คนโกรกันมีความเล่าร้อนคนรักกันมีความสุขเรารักกันดีกว่าหาทางเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้เกิดความรักดีไหมใจเราก็สบายไม่ตัวหลงว่านั่งกับของกูนี่ของกูก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าถ้าเราตายเสร็จแล้วอะไรแบกไปได้บ้าง ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเวลาเราตายเราจะแบกไปได้หรือไม่ได้ก็ามานั่งคิดกันใหม่มานั่งคิดกันว่าในเมื่อขณะก่อนที่เราจะตายชาวบ้านเขาตายให้เราดูแล้วมีคนไหนบ้างที่แบกทรัพย์บแบกสินไปนเป็นโลกหน้าได้มีบ้างไหมไม่มีสิ่งที่เขารักปันปันหนึ่งว่าจะตายลงไป ในสมัยที่มีชีวิตอยู่แต่พอเขาตายจริ ง, รงๆเขาก็หาเอาไปไม่ได้ไม่สามารถจะแบกไปได้นี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเห็นว่าก็ไม่ควรที่จะมาหลงไหลทรัพย์สินต่างๆเข้มัมากเกินพอดีถ้าจิตใจก็ลงเราทรางได้อย่างนี้ก็เข้าถึงนีโรธะนีโรธะแบบโสดาบัน คือหนึ่งตัดความโลภเส้นได้โดยการให้ทานสองตัดความรักเิ้นได้โดยการนักงสาสิทธิสิ่งกลกันยอมรับนับถือสิทธิสิ่งกลกัน ส, สามตัดความโกรธเิ้นได้โดยการมีประมาริหารสี่เป็นสําคัญโดยโดยการใช้ปัญญาพิจรารณาทราบตามความเป็นจริงเมื่อโกรธกันเป็นทุกข์รักกันเป็นสุข และก็ห้าไม่มัวเมาในทรัพย์สินมากเกินไปโดยใช้ปัญญาพิจารณาว่าคนตายแล้วแบบอะไรไปไม่ได้เมื่ออยู่ก็ทํามาห้ากินเลี้ยงชีพไปตามหน้าที่ตายแล้วคนแล้วก็ไปของมันจะหายไปด้วยอกิริยเกษจริยาใดๆก็ตามติดตามได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปหมดเรื่องกันถ้าทําได้อย่างนี้เป็นอาบาตทุกท่าน ถ้าทรงใจได้อย่างนี้เป็นาะทุกท่านมีหวังมาทรงอารมณ์เป็นประโสดาบันได้อย่างไม่ยากอรบรรดาท่านประโยข่าวกรจอนทั้งหลายคืนนี้เวลาที่จะพูดกันก็หมดเสร็จแล้วมากเกินไปท่านก็บเบือ่อท้เผลอเกินพอดีแต่ตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามทรงกําลังใจของท่านอยู่ในอารมณ์ตามที่กล่าวมาแล้วในในอริยสัจสี่ 4. เพื่อเป็นการพยุงอารมณ์จิตให้ตั้งอยู่ในความดีเพื่อความเป็นประโสดาบันตามการตามเวลาที่ท่านต้องการตามอธัธยายสายสวสดี